ตกลงเงินตอนเช้าเสร็จนะเราฟังธรรมสักพักหนึ่งขอเดี๋ยวหลังจากนั้นเราค่อยอาจารย์จะให้ตัวเราเองเนาะใส่ความตัวตนนะสประมาณยี่นาทีพอไม่าจะตูไปเนาะเป็นไงบ้างพวกเราได้ตกลงเติน หรือเพ้่อนศาสนาอื่นนได้นัำสรลึกถึงพระเจ้านี่คือคล้ายๆว่าเราได้สวดสรรเสริญนะคนที่เรานับถือนะคนที่เรานับถือ ท, ทำไมก็พุทธเจ้าทำไมพระเจ้าทนะ่าจะเป็นที่นับถือนะตอนแรกที่ท่านก็เรียกว่าเสียชีวิตมานานมาก เพราะเพราะว่าท่านเข้าใจความจริงใช่ไหมครับท่านเข้าใจความจริงของของชีวิตนะเข้าใจความจริงของธรรมชาตนะิคนที่เข้าถึงความจริงนะเข้าใจความจริงนะก็เลยเป็นคนที่น่นานับถือใชคนที่ พวกเราไปหลายคนที่พ็ตายกันไปมากมายครับแต่ทําไมชื่อเสียแล้วก็ไม่ได้เป็นที่จดจำกันมามเพราะว่า<ม>เขาก็ยังใช้ชีวิตยังไม่ได้เข้าสู่ความจริงนะครับ<ม>ความจริงในที่นี้คืออะไร<ม>ความจริงก็คือว่า<ม>พวกเราทุกคน<ม>หรือแม้แต่สัตว์อื่นๆด้วยเนะี่ยอย่างที่ว่าเราทาไ ม, มชีวิตที่มันทุกข์แต่เกิด ชีวิตนี้เป็นทุกข์หรือวป็นสุก็เรารอให้ไหมใครเตราให้เราเยอะไห้ถ้าใครไม่เตยรห้เยอะมมีมีใครไม่เตยเราให้ไพราะว่าตั้งแต่เราเกิดมานี่ออกเด็กพ่แม่เขาตองให้นะ แต่เราจะไม่ได้ที่จริงเด็กถาเราเกิดขึ้นมาออกมาจากพ่อแม่เขารอให้ล้ใช่ไหมหรือที่จริงเราเป็นเด็กๆใช่ไหมครับเนี่ยราอยากจะได้ของได้พ่อแม่ไีซื้อให้เราก็รอให้องงเงอใช่ไหมใช่ไหมโตขึ้นมาเราอยากจะได้เกมอยากจะได้เกมไปเล่พ่อแม่มีซื้อให้เหมือนกับเพื่อน เราก็ร้องไหนร้องแง่ใช่ไหมครับพอโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเริ่มรู้จักชอบแฟนอยากจะชอบผู้หญิงชอบผู้ชายเขาไม่ชอบเราเป็นไงครับเสียใจไหมครับใครเคร้องไห้เพอกหักหือใครเหักอกคนอื่นหักอกคนอื่นสะใจไหม แต่ใจที่เห็นเขาเสียใจอันนี้อันนี้คือเราก็ร้อมไห้เสียใจเนาะนั้นคือเรียกว่าเป็นความทุกข์อย่างหนึงหรือใครมีพ่อแม่อันนี้ไม่ยากนะบางทีพ่อแม่เราก็เสียไปแต่ตอนที่เราเป็นเด็กหรือเพิ่งเสียไปมีไหมครับคือปู่ย่าตายายของเราก็พิ่งจากไป อันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นความทุกข์เนาะมันเป็นความทุกข์ที่ที่เราไม่สามารถที่ดีๆได้นะเราไม่สามารถที่จะดีดีได้ทุกชีวิตก็เจอทุกชีวิตก็เจอแต่ตอนนี้แต่มันมีวิธีการอย่างนึงอนาคนที่นะมีปัญญาปัญญาที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาเนาะ I, แล้วก็บัญญาในที่นี้ไม่ใช่ว่าเกี่ยวไปบัญญญาบัตรไม่ใช่ว่าจบบัญยาโพบัญญาเทพจะเก่งกว่าคนไม่ได้มีความรู้อันนั้นป็นบัญญาบัตอันนั้นเป็นบัญญาเพื่อไปประกอบอาชีพการงานอันนั้นเป็นญยาหนึ่งแต่ปัญญานอีกอย่างหนึ่งคือปัญญาก็คือว่าเราเข้าใจชีวิต เราสามารถมีชีวิตอย่างมีความสุขเราสามารถมีชีวิตอย่างมีทุกข์น้อยหรือไม่ทุกข์เลยอันนี้นะชื่อว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีปัญญาปัญญาที่เนี่นะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวว่าเราจะเรียนสูงเรียนต่ำไม่เกี่ยวว่าเราจะผู้ดีหรือผู้ไม่ดี ไม่เกี่ยวว่าเราจะเป็นไทยนะเพราะถ้าเรามีปัญญาตรงนี้ยเราจะมีชีวิตที่มีความสุขแม้เราจะยังหูหูไม่ดีเหมือนเดิมแม้เราจะยังไม่วเท่าดิวเกรแต่เราก็สามารถที่จะมีความสุขได้พวกเราอยากจะมีความสุขไหมครับอืมทุกคนอยากมีความสุขมีใครไม่อยากมีความสุขไหมครับ อมไม่มีเนาะสายพัวกันเลยนั่นเป็นไหมทุกคนก็อยากมีความสุขพระอาจารเองก็อยากมีความสุขเหมือนกันก็ยังมีความสุขแต่ตอนเด็กๆตอนเป็นรุ่นเราก็เคยคิดว่าชีวิตเราจะมีความสุขถ้าอะไรถ้าเราเรียนหนังสือเก่งๆ ถ้าเราสามารถตอบเข้าได้มหาวิทยาลัยที่ดีๆนะหรือถ้าเราเรียนจบเราจะมีงานทําที่ดีๆนะหรือว่าเราจะได้มีเงินเดือนที่สูงสูงหรือต่อไปพอเป็นไปรูป่นรุ่นก็เริ่มคิดแล้นะพอ้ถ้าเราได้แฟนน่ารักน่ารักเรกาก็จะมีความสุขถ้าเราได้แต่งงานถ้าเราได้มีลูกที่น่ารักนะลูกที่เรียนหนังสื อ, อเกง่ง เราก็จะมีความสุขเพราะเราคิดเหมือนกันไหมใช่เพราอเราอยากมีแฟนที่น่ารักไหมไยเพราเราอยากมีลูกที่น่ารักไหมไมยากนั่นแล้วถ้ามันมีแล้วก็จะมีความสุขใช่ไหมครับอันนี้คือคนป่วยใหญกคิดเช่นนั้นเนาะ แต่เันมีความเป็นจริงนแบบนี้นครับคือความเป็นจริงบางทีเราก็เลือกไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็เลือกไม่ได้นะบางวันแฟนเรานี่ก็ดักกันดีดีใช่ไหมครับก็มีเลิกก็มีความสุขแต่บางวันก็งอนกันก็ทะเลาะกันเราก็ทุกเใช่ไหมครับก็แฝงคนเดียวกันครับแต่บางวันก็ทำให้เรายิ้มมีความสุข บางวนก็ทําให้เราเสียใจมีความทุกข์ใช่ไหมครับอืหรือพวกเราพวกเราเป็นลูกเนาะบางคนอาจจะไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่บางคนอาจจะเคยเป็นแล้วมีเป็นอยู่เป็นอยู่เนี่ยพวกเราเป็นลูกใช่ไหมครับเราสังเกตเวลาเราเป็นลูกนะครับบางวันเราก็ทำใพ่อแม่มีความสุขแต่บางวันเราก็ทับห้พ่อแม่เสียใจอืม ลูกคนเดิม น, นะครับบางวันก็ทําให้พ่อแม่ทุกข์บางวันก็ทําให้พ่อแม่มีความสุขใช่ไหมครับอางทีเนี่ยมันก็คล้ายๆมันเป็นความไม่แน่นอนเนาะชีวิตเนี่ยมันเป็นความไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นคนที่รักเราแต่ชีวิตจริงมันก็ไม่ได้จะสุขตลอดก็มีสุกข์บ้างมีทุกข์บ้างใช่ไหมครับ ยิ่งถ้าตายจากไปเนี่ยเออก็ยิ่งทุกข์ใจมากพระพระาจัาก็ได้อ่านข่าวเมื่อกี้คนที่ยกเัยย่าว่าชื่อคุณสิงใช่ไหมนุสินกระผมเสียชีวิตไปแล้วเขาเาก็เาพ่อเขาบอกว่าผมไม่สามารถที่จะรับได้ในงานเขาส่งรูปรณีเพราะว่าอะไรผมไม่สามารถเผา คนที่ผมสร้างขึ้นมาได้โอ้ใช่ไหมคำพูดนี้โอ้มันเป็นเรื่องที่ที่น่าน่าคิดมากนะอืมเขาทํำใจไม่ได้นะที่ลูกตายจะไปก่อนเขารับไม่ได้ที่จะต้องมาจุดไฟเผารูปพระององืมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ก็น่าเศร้านะเราก็องพยายามที่จะเป็นแบบนั้น แต่เราก็สแสดงถึงอย่างนึ่งว่าความทุกขใจนะไม่ว่าจะรวยขนาดไห น, นหรือเคยมีอำนาจขนาดไห น, นแต่พอต้องเจอการพัดพ่าเสื่อเสียเนี่ยก็ทุกใจใช่ไหมครับนั้นการมีเงินเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นหลักประกันว่าเราจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงมันมีภาษิตหนึง่งเขาบอกว่าเงินทองนะ ส่งถึงโรงพยาบาลลูกหลานส่งถึงดวงศพบุญกุศลส่งถึงชาติหน้าภาวนาส่งถึงนิพพานเพราะเราก็้งใจครับเงินทองเนี่ยเรามีมากขนาดไหนเนี่ยก็ส่งเราได้เพียงแค่ไ ป, ไปถึงโรงพยาบาล ไปถึงมือหมอมือพยาบาลในการรักษาอย่างดีเนะนคนรวยคนมีประกันก็จะส่งถึงโรงพยาบาลเอกคนนที่มีความสะดวกความสบายคนฐานะปานกลางหรือคนยากจนก็จะส่งถึงะโรงพยาบาลรักษาเต็มที่รักษาไม่ได้ก็ตายใช่ไหมครก็ส่งได้แค่นั้นนะลูกหลานน่ะ กเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติมิตรเวลามีคนตายเราก็ส่งได้เพียงแคนะ่ถึงที่เผาศพนะหรือว่าศาสนาอิสรามจะส่งถึงที่ดุฝังศพใช่ไหมครับส่งได้แค่นั้นต่อไปเขาไปไหนเรารู้ไหมเป็นอะไรไม่รู้นะต่อไปคนที่เขาตายไ ป, เ, ปเขาจะไปไหนเนาะ แต่ที่แน่ๆร่างกายนะถ้าถูกไฟเผาก็ไหม้ถ้าฝังไว้ก็เปื่อยนะกลายเป็นซากพืชซากสาตวไปเป็นอาหารให้กับต้นไม้ไปแต่จิตใจเขาไปเป็นอะไรเรารู้ไหมครับเรามิรู้เนาะเรามิรู้ว่าเขาไปไห น, นบางศาสนาก็เ <ขอ S 2> ชื่อว่าวถ้าทำดีก็ไ ป, วไปส <ะ S 1> วรรค์ ทำไม่ดีก็ไปนรกนะหรือบางทีนะเพราเราเคยได้ยินไหมครับเรื่องการกับชาติวังเกิดการกลับมาชาติวังเกิดอืมีมีตัวอย่างหนึ่งนะที่ประเทศกัมพูชานะพมีนมีเด็กมีเด็กคนหนึ่งนะเขาเกิดมาตัวเล็กๆนะ แล้เขาพูดภาษารัเสเซียได้พ่อแม่เขาพูดภาษารัเสเซียไม่ได้นะพ่อแม่เป็นนขมีนเป็นคนกัมพูชาเขาเกิดมาแค่ขวบสองขวบเนี่ยพูดภาษารัเสเซียได้พ่อแม่เขโล ม, มานะก็เลยติดก็ไม่รู้ภาษาอะไรแต่พอมีคนรู้ว่านี่คือภาษารัเสเซียก็เลยเติดต่อสถานทูตรัสเซียที่กัมพูชาสถานทูตรัสเซียที่กัมพูชา พ่อติดต่อพูดเจ้าที่ทหารทุกโง้งงก็ทำไมเด็กพมินผู้ประสานรัเสเซียได้ขอพูดไปขึป้นมาเด็กคนนั้นก็บอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่พ่อแม่ของเรานะพ่อแม่ของเราเนี่ยอยู่ประเทศรัสเซียอยู่เรามาทํางานที่ประเทศกัมพูชานะเป็นทหารเป็นทหารทํางานที่เล็กกัมพูชา แล้วก็ถูกกลับระเบิดพื้นตายตายไปแล้วก็เลยกลับมาเกิดใหม่อยู่ในท้องของคนเขนีเนี่แหะแต่เราก็ยังจำภาษาเดิมของเราได้คือเราเป็นคนรัสเซียไม่ใช่คนเขมีอันนี้อันนี้ก็เขาก็จะพูดถึงบ้านเขาที่ประเทศรัสเซียได้พูดถึงอดีตที่เขาเป็นอะไรได้ อันนี้ก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะหรือว่ามีเกิดในเมืองไทยก็มีคนคนหนึ่งครับมีคนหนึ่งเขาเป็นแต่ก่อนเป็นทางเรือเป็นทาเรือเป็นยอที่สูงมากเหมือนกันต่อมาพอตายไปแล้วก็เกิดเป็นอะไรครับกลายเป็นหมาเป็นหมานะ พอเขาเจอเจอสถารเรือเดินผ่านมาเนี่ยเขาจะเห่าครับคล้ายๆเหมือนเป็นพวกเดียวกันรู้จักกันนะแล้วก็เจ้าของก็สังเกตว่าเฮ้ยมาตนี้มันเหมือนจะฟังภาษาคนเรือกนะแล้วก็ลองถามมานะเลยใช้ก็พูดภาษามาไม่ได้นะก็แต่ก็ใช้กัรถามใล้ยๆว่าเป็นแบบนี้ใช่ไหมเป็นแบบ ใช่หรือไม่ใช่ก็ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆเกิดต้องถามได้วยความว่าอหมานหมาคนนี้เคยเป็นนายพลคนหนึ่งที่กองทัพเรือเนี่ยแต่พอตายมาก็กลายไปเป็นหมาแล้อันนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดนะน่าคิดถ้าคิดว่าอะไรชีวิตเราเนี่มันก็ไม่แน่นอนเนาะ เราเกิดมาชาตินี้แต่ชาติต่อไปจะเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้เนาะเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้อันนี้นีก็อย่างที่กล่าวไว้เมื่อกี้อีกว่าบุญกุศลเนีมันส่งเราไปถึงชาติหน้าครับบุญกุศลก็คือการทําดีหรือว่าการทําไม่ดีนะถ้าเราทําดีเยอะนะเหตุปัจจัยองก็ส่งเราไปเกิดในที่ที่ดี เกิดที่ที่ดีอาจจะเกิดมาเป็นคนเหมือนเดิมอาจจะเกิดกลายเป็นเทวดาก็ดีหรืออบาปตามที่เราทำอาจจะตงที่เราเกิดเป็นสัตว์เลช้างหรือตกนรกนะอันนี้ก็หรือว่าในศาสนาที่เชื่อพระเจ้านะก็อาจจะคิดว่าเราเปถ้าเราทำดีเราก็ไปอยู่กับพระเจ้าถ้าเราทำไม่ดีก็เลยพระเจ้าไม่นับเราเล พระเจ้าก็ไม่รำเก่าไปอยู่ด้วยใช่ไหมครับนิสตนาก็เชื่อกันอย่างนั้นแต่มันมีนิทานคนระับมีนิทานซึ่งก็จะคลอนต่ำจริงนะฮะมันเป็นสวรรค์มันเป็นนรกที่อาจจะไม่เกี่ยวกับสาตนาก็ได้นะให้เราลองฟังดูแล้วก็พิจารณาดูนะฮะเขาบอกว่ามีชา ย, ยาหนุ่มคนหนึ่งครับเขาอยากจะรู้เรื่องสวรรค์อยากรู้เรื่องนรก ก็ได้นะให้พระนะท่านนำไปดูนะอันนี้มันเป็นพาะในคิดศาสนาเนาะมันเป็นเรื่องของเกิดที่ยุโรปพาะท่านก็จะรอเดียเด๋ยวเราจะพ า, ะพาไป ด, ไปดูพาไปดูนรกก่อนไหมใช่รหมว่ม<พ>าไปครับไปนะไปดูนรกด้วยไปดูนรกนะฮะไปึงนรกแล้วเข้าไปในห้องอาหาร ในบริเวณของโรกห้องอาหารของบริเวณนัโลกเนี่ยก็มีคนนั่งอยู่ตรงโต๊ะอาหารเต็มเลยนั่งเป็นเหมือนนั่งประจําโต๊ะเนาะเพราะเราคิดถึงเหมือนโต๊ะประชุมแบบนี้ครับมีอาหารขาวหวานเยอะแยะมากมายอยู่บนโต๊ะออยู่บนโต๊ะคนที่นั่งก็มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแต่สิ่งที่แตกต่างจากบนโลกเราก็คือว่า ช้อนแล้วก็ส้อมนะจะผูกติดไว้กับมือทั้งสองข้างแต่ช้อนและส้อมนั้นะยาวนะยาวกว่าสองเมตรได้นะะช้อนยาวซ้อมยาวสองเมตรได้ทุกคนก็จะผูกส้อมและช้อนผูกติดไว้กับมือพอเวลาทุกคนพร้อมหน้ากัน้ก็ก็มีเรียกว่ามีผู้คุมนังบอกว่าอ่ะ ทานจะได้อพอทานนะแต่ละคนก็นนนตักอาหารมารับประทานเข้าปากตัวเองแต่ด้วยความที่ช้อนก็ต้องยาวมากมันเข้าปากได้หรือเปล่าเข้าไม่ได้บางคนก็โยนเข้ า, ากาดโยนอ้าปากแล้วใช้วิธีสารพัดแต่ใช้ไ่ไหมแต่ละคนก็นกินอาหารได้ นิดิดหน่อยๆเนาะอาหารก็ตกดิ่ล่าฟเต็มโต๊ะอาหารเปิดเปลือกเสื้อผ้าถูเพื่อนบ้านนะแต่ก็คือข้าวว่าโต๊ะอาหารในรถถือว่าแต่ละคนก็แย่งกินแย่งกันกินแล้วก็กินกันก็ไม่อิ่มอาหารก็ตกดิ่ล่าฟ้าทุกเลยนะโอ้ในโลกนี้เป็นแบบนี้เหรก็ หมดเวลาของอาหารนี้ั่งงแล้วก็ชายหนุ่มคนนั้นก็ออกมากับพระเดี๋ยวไปดูไปดูห้องอาหารบนสวรรค์ไหมพอเข้าไปดูห้องอาหารบนสวรรค์ก็ติดกันกับห้องของงลงนะครับอ่าแค่ออกประูแล้วเข้าไปช้าๆเหมนห้องเดียวกันอะไรนะก็เข้าไปอีกห้องนึ่งที่พอเข้าไปดูห้องอาหารบนสวรรค์ปรากฏว่า ภาตอนแรกก่อนเริครับรับประทานอาหารเหมือนกันเลยอาหารการกินก็เหมือนกันอหน้าเป็นรอยเพราะั้นผู้คนที่นั่งบนโต๊ะอาหารก็เหมือนกันช้อนส้อมี่ก็ยาวเหมือนกันยาวสองเมตรอืยาวสองเมตรเหมือนกันพอะเจ้าที่นบอ่าเชิญทุกคนรับประทานอาหารได้ปรากฏว่า คนบนสวรรค์เขาตัดอาหารกันยังไงครับเขาตัดอาหารมือมันก็ยาวใช่วยกันไหมใช่ครับก็ตัดอาหารแล้วก็ยื่นไปให้คนตรงข้าวบ้างใช่ไหมยื่นไปให้คนที่ช้อนส้อมถึงพอดีใช่ไหมครับแต่ละคนก็ช่วยกันช่วยกันตักให้กันได้ครับก็กินกัน ได้ความเย็นเย็นแจ่มใสใช่ช่วยกันตากันนานทหารก็ไม่เลี่ยไแล้วทุกคนก็เลยากจะก็ต้องกินอิ่มนะกินอิ่มอาหารก็ไม่ไม่ตกทุกคนก็มีความสุขคนต้องกิอาหารนั้นเนี่พวกเราเห็นไหมครับบางที นรกกับสวรรค์นี่ผู้เราอาจจะคิดว่ามันแตกต่างกันมากนะ <c oughs> แต่นิทานเรื่องนี้นนซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะออนรกถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนกับความทุกข์นะสวรรค์ถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนกับความสุขนะบางทีเรามีสิ่งภายนอกเหมือนกันนะออ แต่พอเราแก่แย่งกันหรือว่าขินแก่ตัวใช่ไครับในห้องอาหานั้นก็กลายเป็นโลกเลยเพราะแต่ละคนก็ขินแก่ตัวแล้วก็แก่แย่งกันใช่ไหมครับตัวเองก็ทุกคนอื่นก็ทุกใช่ไหมครับแต่ห้องอาหารบนโซฟาเป็นแบบไหนครับก็มีเหมือนแับในโรกนะแต่ผู้คนด้วยใจแบ่งปันกันมีเมตตาต่อกันนะทุกคนก็เลย มีความสุขใช่ไหมครับอืมอันนี้แหละนะพระอาจารย์เรียกว่าแบบนี้แหละถ้าเราเปรียบเทียบกับเหมือนสังคมนะในวิทยาลัยของเราหรือสังคมในครอบครัวของเราในหมู่เพื่อนฝูงของเราญาติี่น้องของเราถ้าทุกคนรักกันแล้วก็ช่วยเหลือกันเนี่ยบ้านนั้น ถือว่าโรงเรียนนั้นนี่อะไรนั้นถือเป็นที่ที่น่าอยู่ใช่ไหมครับก็จะมีความสุขไหมมีความสุขใช่ไหมครับถ้าทุกคนรู้จักช่วยเหลือกันแต่ถ้าแต่ละคนก็เห็นแก่ตัวนะแก่งแย่งกันเราก็มีความทุกข์ใช่ไหมครับเนี่ยมันก็มีความทุกข์อันนี้แหละอาจจะเรียกว่า สวรรค์ในอกนรกในใจแต่ได้นะมันก็เกิดขึ้นได้นะถ้าเราวางใจไวิถีแต่บางนีบางทีชีวิตจริง น, นะครับม า, บาทีชีวิตจริงเนานะพูดตรงๆบางทีเราก<ร>็เลือไม่ได้ครนะแต่เราเตือกไม่ได้บองวันพ่อแม่เราก็ไม่รู้ไ ป, ไปกินอะไรมาเนาะก็หงุดหงีดง่ายก็อารมณ์ไม่ดี กลับมาว่านก็มันู่ยช่จริงจริงหรือบางทีที่น้องเราเองก็เหมือนกันบางทีบางวันเขามาดีบางวันเขาต้องไม่ดีใช่ไหยครับอหรือแม้แต่จริงริงแม้แต่ตัวเราเองก็เหมือนกันใช่ไหมครับบางวันเรากลับมาเราก็อยากออยากจะช่วยเหลืองานบ้านบางวันเราก็ขี้เกียจเหมือนกันเราก็อยากจะไปเล่นเราก็อยากจะนอนใช่ไหมอันนี้บางทีชีวิตจริงใช่ไหมครับ เราก็ไม่สามารถไปกำหมดคนอื่นได้ว่าเธอต้องดีกับฉันตลอดเนาะเราก็กำหนดเรากำหนดได้ไหมครับอืมเราก็หมดเพื่อนได้ไหมว่าเพื่อนนี่ต้องช่วยเหลเราตลอดเนาะต้องพูดพร้อมๆนะทั้งภาษาคนหรือภาษามือก็ได้แต่นะต้องพูดพร้อมนะอย่าด่ากันนะอ อย่าโกรธ่านนะเราบอกเขาได้ไหมครับบอกได้น้ะแต่เ่าจะทำได้หรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับหรือว่าบางทีเราไปเหนื่อยไหมเราจะบอกได้ไหมว่ารถเราต้องผ่านเฉลิ้วต้องไม่ติดไฟแดงบอกได้ไหมบอกไม่ได้น้ะใช่ไหมมันอันนี้คือบางทีชีวิตจริงจะเรียกว่า เราเลือกไม่ได้ะเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะเจออะไรแต่มันมีอย่างหนึ่งครับก็คือว่าถ้าเราฝึกใจถ้าเราฝึกใจเรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็แล้วแต่นะะเราจะไม่ทุกข์ใจอเหมือนอย่างพระเยซูพระเยซูโดนตึงการเขน โดนฆ่าแต่ท่านก็ไม่โกรธคนที่ฆ่าท่านไม่ได้เกลียดคนที่ฆ่าท่านใช่ไหมครับคิดว่าศาสนาไหนก็เหมือนกันนะก็คือจะไม่โกรธกันไม่เกลียดกันอันนี้คือบางชีเราก็เลือกไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะไม่ทุกข์ใจได้เราเลือกที่จะไม่ทุกข์ใจได้เนาะ อันนี้บางทีเราก็จะเจอสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์แต่มันบางทีมันก็ทุกข์แต่ร่างกายนะเราเจอคนด่าเราเจอคนทำร้ายเขาก็ทำร<ด>้ายเราก็ได้แต่ภายนอกแต่ใจเราไม่ทุกข์ก็ได้ไม่ทุกข์ก็ได้มีมีลูกศิษย์หลวงพ่อคาเขียนที่วัดป่าสุขโตคนนึงนะ เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนเขาเป็นคนพิการคนชื่ออาจารย์สมพนทองบนุนุ่มมีใครรู้จักบ้างมีหมูดีรู้จักบ้างมีหมูนวลรู้จักไหมคนพิการพิการแบบขยับได้แต่ช่วงศีรษาขึ้นไปก็<อ><ะ>ลไล่นิดหน่อย เขาพิการมาแล้วถ้านับถึงปีนี้ก็ประมาณสามิบกปีใครเกิดแล้ว่าสามสิบหกปีนะพิการนอนนอนอยู่บนเตียงแต่ก่อนเขาก็ทุกข์ใจมากทุกอะไรแต่ก่อนอาจารย์คนเป็นนักกีฬาทีชาตินะเป็นนักกีฬาทีชาติเป็นผู้เล่นประตูฮอกกี้ พกปีพี่เขาใไม้ตีนะเออแล้วก็เป็นนักกีฬาวเร่งบอลแล้วก็เรียนจบคณะศึกษาแล้วก็สอนได้เป็นอาจารย์วิทยาการศึกษาที่อ่างทอวันหนึ่งมีเพื่อนอาจารย์สอนให้สอนให้สอนวิชากระโดดน้ำใบ้น้ํำใบ้น้ําแสดงว่ากระโดดน้ำไปหลายรอบอาจารย์คนแต่ก่อน่ เรียกว่าเป็นลูกชาวเรือลูกชาวเรือจะอะไรมีชีวิตอยู่บนเรือที่ลอยบนน้าไม่มีบ้านอยู่บนบกอยู่ในแม่น้าเจ้าพระยาก็ล้องเรือไปพ่อแม่มีอาชีพเรียกว่าขนของทางเรือดังนั้นอาจารย์มันจะมีทักษะในการวายน้าเก่งมากแต่วันนั้นประมาทกระโดดแล้ว มันคิดพลาดหัวนอกซื้อหลังจากนั้นก็ปมดสติแล้วก็กลายเป็นธรรมปนะมนี่ยสาใน36ปีตอ น, น, นแรกชีวิตก็ทจะพุ่ามากแต่พอเมื่อประมาณเกือบ20ปีใช่แล้วประมาณยี <ทำ S 1> ปีแล้วเข<อ>ีย น, น, นจดหมายมาหาหลวงพอ่อมาถามธรรมะเรื่องการปฏิบัติธรรม สุดท้ายพออาจารย์ปฏิบัติธรรมแล้วปรากว่าเฮ้ยไอ้ที่มันพิการมันคือร่างกายแต่จิตลาออกจากความพิการเห็นไหมเพราะเราลองเจนน่ะบางคนหูหนวกนะะไอ้ที่หูหนวกคือร่างกายแต่ใจเราไม่ได้หูหนวกนะใจเราไม่ได้หูหนวกนะใครอยากลาออกกัน ใครอยากลาออกจะยอมเป็นคนหู่นหวบามีไหมไม่อยากลาออกหรอกามวอะไรันบางคนก็่ค่ะ คือบางคนเนาะบางคนติดว่าความคิดว่าเราว่าเราหมนัวนะหรือใจบางคนก็ติดว่าเราเป็นคนพิการนะไปคิดแบบนั้นบางทีเราก็ทุกข์นะบางทีเราก็ทุกข์แต่ที่จริงไม่ใช่แม่ได้แต่คนหมูนหวคนพิการนะคนดีๆนะบางทีก็ทุกข์มากกว่าพวกเราทุกข์เยอะมากเลยอ ร้องไห้หนักเลยว่ามีชีวิตที่เศร้าเป็นโรคสุดเศร้าเขาก็มีบางคนก็ติดกับความเศร้าความเศร้าจากอดีตใช่ไหมครับอดีตที่เราเคยมีแฟนแล้วแฟนทิ้งอดีตที่เราเคยมีเงินทองเยอะแต่ตอนนี้โดนคนโกงไปใช่ไหมครับหรือต่อไปนบางทีเราจะคิดถึงอดีตนะอดีตตอนเราหนุ่มสาวที่เราแข็งแรงเราสวยแล้อวบ ต่อไปก็เริ่มไม่แข็งแรงนะหรือว่าเริ่มสวยแลเริ่มรอน้อยลงนะถ้าเราไปคิดแบบนี้นะเราก็จะทุกข์ใจใช่ไหมแต่การฝึกใจเนี่ยจะทําให้เราผ่อนทาใจได้นะทําใจได้แล้วก็แล้วก็ไม่ทุกข์ใจคนที่ไม่ทุกข์ใจเป็นผู้อย่างก็คือมีความสุขใจะมีความสุขใจถ้าพุทถึงศาสนาก็เรียกว่า จิตใจนะก็ถึงพระนิพพานถึงพระนิพพานคือความสุขใจที่แท้ที่งหรือทางศาสนาคืออาจจะเว่าเข้าถึงเข้าถึงพระเจ้าในศาสนาเนี่ยนก็ได้ใช่ไหมเข้าถึงพระอานนท์เข้าถึงดินแดนสุคราชีแบบของพระเยซูแบบนี้ก็ได้นะอันนี้คือพวกเราสามารถเข้าถึงนันได้นะแล้วแต่อีกอย่าง ไม่ต้องว่าเรตายนะคอยไปข้อตื่นนะอืแต่เราจะมีความสุขในตอนที่เรามีชีวิตอยู่นี้แหละเราก็จะไม่มีทุกข์ในตอนที่เรามีชีวิตอยู่นี้แหะนี่คือเรามาเรียนรู้ตรงนี้กันดูเนาะเดี๋ยวพระอาจารย์แล้วก็อาจารย์มีสองรูปนะก็จะได้อยู่เป็นเพื่อนเป็นิตรกัเราในการร่วมกันเรียนรู้ตรงนี้เนาะพอในภาพเช้านี้ก็คง ขอสักคนเป็วอย่างก่อนเนาะก็ขอขอพวกเราทุกคนทุกท่านเนาะได้เปิดใจเรียนรู้ร่วมกันได้ทํากิจกรรมด้วยกันเนาะเปิดใจเรียนรู้ก็จะได้รับสิ่งที่เป็นความรู้สิ่งที่เป็นปัญญาเพื่อนำพาชีวิตของเราให้พบกับความสุขที่แท้จริงทุกคนทุกท่านด้วยคือ